เออถ้ายยกแค่ไหนอ้อยง่ามาฮะช่วยสวนตาแก่สวนด้วยตาแก่สวนอ้อยปลูก อ, อกอ้อยก็ได้อ้อยเนาะปลูกมันก็ได้มันปลูกเขาก็ได้เขา ห้องพ่อปลูกต้นยางก็ได้ต้นยางงามกันแหละงามสุปีสุปีต่อขาบราแบนี้ปลูกสติกต็ได้สติเจ้าก้อยก็ได้เงินได้ท่อง <c oughs> ได้ปัจจัยได้ปัจจัยเจ้อจน ทัดใจก็แปลสภาพเป็นอาหารเป็นเสื้อผ่าเป็นเครื่องอยู่อาศัยเป็นยารักษาโรคเอื้อมีสติก็ได้อาศัยเวลาหลงจอได้รู้ความหลงก็เป็นความจน อดข้าวอดเสื้อผ้าก็เป็นความจนอดที่อยู่ที่นอนก็เป็นความจนถ้ามีปัจจัยคือจากการกระทาของเราก็แก้ได้หิวข้ า, กข า, าวก็ซื้อข้าวมากินหนาวก็ซื้อผ้ามาห่มฉันใดก็ดี เกอยู่ที่การกระทำของเราจากกายจากใจเรานี้เสื้อผ้าของเรื่องของกายของใจที่อเสัยก็เป็นเรื่องของกายของใจเครื่องนุ่งของอยู่ของจินอย่ารักษาลูกก็เป็นเรื่องของกายของใจถ้าไม่ดูแลตามความเป็นจริงของมันมันก็จีบหาย เป็นโทษใจของเราก็หมือนกันสติก็เป็นเรื่องของกายของใจกายใจถ้าไม่ดูแลถูกต้องก็เป็นทุกข์เป็นโทษจนใจจนต่อกายเป็นทุกข์ จนถึงการเกิดเจ็บเจ็บตายบางทีความเกิดความเปียความเพียก ค, ความตายเป็นความจนที่ชีวิตของคนเรายอมทุกข์ยอมเสียอมใจว่าเราไม่มีสติมันก็จน ออกคุณทุกขวอมเสียใจได้เราจะมาฝึกหัดใช้สติให้มันคุ้นเคยสารพัดประโยชน์ไม่เหมือนเงินไม่เหมือนทองไม่เหมือนข้าวของอื่นสตินี่มัน ครบวงจรเรามีกายมีใจไม่ใช่กายใช่ใจอย่างเดียวมีตามีหูมีจมูกดิ้นลูปลวดจินเสียงหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับกายกับใจเราเราจึงเพียนขยามให้รอบครอบ ใช่กายให้เป็นใช่ใจให้เป็นก็มีเรื่องเดียวเท่านั้นความหลงเกิดจากใจความหลงเกิดจากกายแล้วก็คือความหลงไม่ไม่แตกหน่อแตกพันใหม่ความโกรธคนเดียวของทุกข์คนเดียวเป็นอกุศลความโกรธควาโลกความหลง อกุศลผิดเป็นโทษใครก็รู้ลาเกลของอกุศลว่าความโลภ ค, ความโกรธความหลงไม่อยู่อกุศลอื่นที่ยังไม่มีก็มีขึ้นเกิดความล้อความชังความวิชาความพิบัติความเบียดเบียนหลังครับกดทีเอาลัดเอาเปรียบ ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเกิดความโลภจากเราทําให้คนอื่นเดือดร้อนจอึือเงนเดือดร้อน <c oughs> อันเดียวตวองโกรธก้อนเดียวความโลภความหลงก่อนเดียวทีนี้ก็มีคู่อยู่ความโกรธก้อนห่งความไม่โกโรธอรูปะอโทสะโมหะ เป็นของแก้กันอยู่อย่าจนมีสติเหมือนกับทรัพย์แก้ได้เปลี่ยนได้เหมือนเรามีเงินหิวข้าวซื้อข้าวกินมีสติเปิยนความหลวงของโกรธความทุกข์ได้ไม่ต้องอาศัยอันอื่นมีอยู่ในชีวิตเรา กุศลก็ไม่โกรธก็ไม่โลภก็ไม่หลงเป็นกุศลถ้า ม, ม, ม, มีอย่างนี้แล้วกุศลเดินที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญมากขึ้นในความเมตตากวานามิตาเวกขาความอดไดปบัตไม่มีความให้อภยัยความสช่วยเหลือความสงเคราะห์กันเกิดขึ้น จากกุปลนธรรมเป็นประโยชน์ต่อทุกสรรพสิ่งถ่าว่าทั้งสองสองอย่างนี้จะเรินในทางหนึ่งจะเรินไปคนละทางแล้วก็ไปกระทบกระเทือนต่อสารพัดอย่างเม็ดตินเม็ดหินอะไรธรรมชาติ ต่างๆก็กระทบกระทืนไปหมดถ้ามีกุศลคนอื่นก็เกิดกงามขึ้นดีขึ้น่อยู่ในกายกายก็ดีขึ้นไม่กินเล้าไม่สุบุรีไมยหัวสงไม่หลงอยู่ในใจก็ดีออกมาทางเป็นวา จ, จาคำพูดก็ดี มันก็มีเท่านี้ไม่มากไม่น่าจะเป็นการวานตลอดไปน่าจะมีขั้งสุดท้ายจบไปได้เลยความหลงก็จบไปซะความโกรธก็จบไปซะความทุกข์ก็จบไปซะน่าจะทำได้สำเร็จไม่เหลือวิสัยอ่า ไม่ทำให้สำเร็จก็เป็นการบ้านต่อไปเป็นพาระต่อไปแล้วก็เห็นกันอยู่ว่าจากตัวเราก็เห็นเกิดจากคนอื่นก็เห็นมีโทษมีประโยชน์ยังไงไม่ต้องอธิบายดูเอาก็รู้ไปทุกข์สุขก็รู้ บางทีมองหน้าเฉยๆก็รู้มองหน้าก็รู้ว่าผิดถูกย่างไงงั้นแสดงออกไม่ว่าอะไรที่ศกตาศกหูมันก็บอกความเท็จความจริงอย่างไรนี่ประโยชน์ยังไงปีแอวาจาพูด เป็นสุภาสิตอภิาวาจาพูดเป็นทุภาสิตกายก็ทุจริตเป็นความชั่วปอจีก็ทุจริตเป็นความชั่วหนาโนก็ทุจริตเป็นความชั่วอามีสติก็เป็นสุดจริตเป็นความดีกายก็สุดจริต เกิดจากกายอย่างนี้แต่ความดีวาจา ก, ก็สุจริตเกิดจากวาจา ก, กเป็นความดีใจก็มนโนสุจริตเกิดจากใจก็เป็นความดี <c oughs> อยู่กันด้วยความสงบร่มเย็นทุกคนก็มาดูแลตรงนี้เท่านั้นเองการดรูแลกายใจก็มีสตินี้เป็นหน้าโลอกงั้นเราสวด ถ้าเรามีสติมีกุศลนุ่งผมจีบอนกินอาหารชาวบ้านที่อยู่อาศัยของชาวบ้านดารักษาโลกผู้ที่ให้อาหารผู้ที่ให้จีวอนให้ที่อยู่อาศัยให้อย่ารักษาโลกก็มีอะไรสองใหญ่มีผลใหญ่ ทั้งสองฝ่ายผู้ที่ทําความดีผู้ที่ได้รับความดีจากบุคคลที่ทําความดีมีอนในสงฆ์ทั้งสองฝ่ายเป็นรสชาติเกิดขึ้นในโลกหรือ ว, ว่าสัพพะรังธรรมะรังรสชาติความดีย่องชารสชาติทั้งปวงเหมือนบรรดา ยอดโอชาแห่งโคโลดดูจังไมบ้บรนดายอดโอชาแห่งโคโลดเคยได้ยินอาจารย์พุทธทาสแสดงบทนี้สมัยสี่สิบปีมาแล้วไปสวนโงกไปสวดทรรมปาหังเนี่ยไม่เคยสวดไปสวดที่นั่น ตอทายายตอนทำวัดจบอสวดจบอาจารย์ พ, รพุทธทาสกเทศเรื่องบทพระสูตรนี้อธิบายธรรมะธรรมะาหังเนี่ยยอดมันดะยอดโอชาแห่งโครตยอดโอชาแห่งโครตคืออะไรได้มาจากแม่นมวัวที่มีอุดมสมบูรณ์ วัวแม่นมวัวที่มีอุรมสมบูรณ์ตัวเมียเป็นเป็นผู้ให้นมเอาแต่ตัวดีดีอ้วนท้วนสมบูรณ์มารีดนมเกดล้อยตัวมากอง เอามาผสมกันมากรองเป็นเนยจากนมวัวแม่หัวที่มีอุดมสมบูรณ์นี่ต่างความดีทั้งเกตดร้อยตัวเอามาเอามาทำเป็นนมทำเป็นเนยนั่นแหละแล้วมันดะยอดโถชาแห่งโคลดอันนี้ได้ยินอาจารย์พูดทาสพูดสี่สิบปีมาแล้ว ดังฉันเป็นสัญญาในชีวิตเรื่องผมไม่จันในรสชาติกวัวไม่บีบเบียนตัวเองกวัวไม่บีบเบียนคนอื่นช่วยคนอื่นให้เขาไม่บีบเบียนเขาให้คนอื่นไปช่วยไม่บีบเบียนคนอื่นไม่เกิดขึ้นเรื่าธรรมราสัสธรรมรารโส เป็นลดชาติจะลดทัองปวงอย่าให้จนเรื่องนี้พวกเราทำได้ในความพร้อมมีกายมีใจปลูกเอาไว้สร้างเอาไว้ตะ ว, วันโคโตขืนขึ้นมาอย่าให้จนถ้าไม่ปลูกความรู้สึกตัวความหลงจะงอกงามขึ้น มันบ้างไม่ได้กายใจของเรามีวัตถุเหมือนแผ่น ด, ดินแผ่นดินนี่ถ้าไม่มีอะไรที่อยู่บนแผ่น ด, ดินยึดไว้อย่างบางแหง่งมีหญ้าคามีหญ้าพงป่าพงผวกหนามบางแห่งก็มีพืช ของอยู่ของกินได้ในดงในป่ามีข้าวมีปลามีอาหารในดงในป่ามีช้างมีเสือมีงูพิษสัตว์พิษอันตรายนี่ก็เหมือนกับรูปตามที่เป็นกายเป็นใจเราเนี่ยอะไรเป็นที่อยู่นี่ตั้งอยู่นี้ ก่อนที่จะปูกอะไรให้อะไรอยู่ในกายในใจของเราเรามีสิทธิเป็นส่วนตัวเป็นธรรมาที่ประจายเวลามันหลงเราไม่หลงก็ได้ใช้สิทธิหลงไปเวลามันโกรธไม่โกรธก็ได้แช่จิทธิหลงไปเรามาทำเรื่องนี้กันเป็นเพื่อนกัน เอาอย่างกันเอาอย่างพุทธเจ้าให้กระตือนดือร้ น, นอย่าไปแข่งกันในทางความหลงแขงกันในทางความรู้จักตัวในความเมตตาปาณีต่อการเหมือนคนไต้หวันแข่งขันกันบวชผู้หญิงคนไต้หวันปริกสุนี มีแต่หนุ่มสาวๆจบสูงๆแล้วม า, าพากันมาบวชคนไต้หวันตกใจทำไมผู้หญิงทั้งหลายพากันไปบวชจำนวนมากมีแต่คนที่มีคุณภาพมีความรู้สูงสล <c oughs> งตาเคยไปอยู่มีพระสองสามลูกพิกษณีเจ็ดสิบลูก ควบคุมทั่วประเทศมากที่สุดพิชชนีไต้หวันผู้หญิงหนุ่มหน่มสาวสาวตากัน อ, อกอวดกันปีนวนมากเขาลงหนังสือพิมพ์ในไต้หวันเป็นเรื่องกระทบกระทือนต่อโลกต่างก็เอาอย่างกันผู้หญิงทั้งหลายตำหรับพระนี่สู้ผู้หญิงไม่ได้ผู้ชายสู้ผู้หญิงไม่ได้ อันนี้เป็นส่วนที่มีผลกระทบว่าเอาอย่างได้ได้ว่าผู้หญิงเมืองไทยไม่มีตัวอย่างที่เป็นนักบวชก็เอาอย่างไต้หวันก็ได้ยังมีอยู่เราก็การนั่งฟังเทศฟังธรรมผู้ชายต้องนั่งข้างหลังผู้หญิง ผู้หญิงเขาชอบมานั่งข้างหน้าเวลาหลองตาพูดเนี่ยมานั่งไกลเหมือนกับพวกเราเนั่งใกล้ๆมองตามองหน้าอยู่อย่างเนี้ยช่องอยู่เนี่ยนี่แต่ผู้หญิงตูวชายอยู่ไกลๆน้่นนั่งอยู่น้่นข้างหลังผู้หญิงนอนจีรังกากวันกัน ในการไปวัดเนี่ยผู้หญิงจะต้องระจองที่นั่งก่อนนั่งข้างหน้าเอาผ้าขาวไปปูไว้ผู้ชายไม่ได้นัง้างหน้าหรอกมีแต่ผู้หญิงนั่งข้างหน้าไปไวว้ต้นศรีมหาโพธิผู้หญิงจองหมดในพื้นที่รอบต้นศรีมหาโพธิผู้ชายไม่มีโอกาส จองไว้ให้กันเลยผู้หญิงอะ่ะมีลูกก็จองไว้ให้ลูกไม่แม่ก็จองไว้แม่ประเทศไทยเรานะ่ะไม่มีภาพเพียนนั้นชอบมาที่หลังอยู่ขักหลังนอนบางนั่งบงางเสว่ยนอนไม่ไม่ก็มามองหน้ามองตาไม่ก็ใส่ใจในฟังในการดู คำถามต่างๆเกิดขึ้นส่วนมากเป็นผู้หญิงผู้ชายน้อยที่จะถามเมื่อเวล า, ท เ, ท เ, วลาเทศจบตั้งก็เหมือนไม่คีดน้อยนะสี่มุมเพื่อจะตอบเพื่อจะถามผู้ชายต้องอาใส่ผู้หญิงเอา้า ม, มีคำถามอะไร่ะ พิสู์นี่พิส์นี่ก็ตั้งกล้องว่าคาถามที่ว่าจะถามหลวงพ่อพูดไปแล้วไม่มีคําถาม <c oughs> อก็อชายก็ถามอ่ากล้องนั่นแหะวีดีโอน่ะถามอะไรพูดพร้อมกันหลวงพ่อพูดไปแล้วไม่มีคําถามสี่คน สี่กล้องพูดเหมือนกันหมดไม่มีคำถามนองพ่อพูดไปแล้วม่รลุยถามอพ่อพูดลเนี <c> ่ย <oughs> เป็นผู้หญิงเป็นภิกษุณีนะเพราะนั่นเนี่ยเอาอย่างนั้นก็ได้ให้มีในภาพในใจของเราว่าไม่ใช่เราแค่นี้ง่ายีภิกษุณี แพระนั้นจึงอยากสนับส น, นุนครอบครหญิงเนะีออ ก, การต้ง่งจนนดสร้างหอพักให้ทางทิศใต้สักสองชั้นสักสีบห้องให้ภิกษุณีทั่วโลกมาพักที่นี่เป็นนานาประเทศเลยให้ง่ายขี้ให้ผู้หญิงไปพักเป็นอิสระเป็นเขตใช่ไหมพอาะทยบวัดเราไม่ใช่แคบ เอาเป็นนานาประเทศเลยนะไอ้หลวงตาได้ได้เขียนอาจารย์โนทตให้เขียนใบประหน้าขอวีซ่าอ่าภิกษุณีนักบวชให้เอาญาิมาเมืองไทยได้สักปีหนึ่งามหนังสือไปถ้าภิกษุณีจะมาจากจีนไต้หวันจะได้รับหนังสือฉบับนี้ละหลวงตาเซ็นไปแล้ว เอาไปปาหน้าขอพิซ่าเข้าประเทศได้หนึ่งปีนักบวชพิชเชเนะี่ยยัได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ตอ น, นั้นเนี่ยไม่ใช่เราแค่นี้นะอย่าหมดกําลังใจย่าจอมก็เหมือนกันอารว า, า, ยาจย่าจอมเหมือนกันหนีไปไหนก็ไม่พ้นผู้ชายอวา่านศกสำคัญหนีไปไหนก็ไม่ค้นผู้หญิงวาชิกา ไอ้พุทธศาสนาะขั้งพุทธการมีอ น, น, นัถมิตรการเจติเป็นอุบาศกยอดอุบาศกวิสาขาวาชิกาเป็นยอดวาชิกามหาวาชิกาอะไรยิ่งใหญ่ผู้หญิงผู้ชายอ น, น, นัถมิตรการเจติสร้างเขตตะวันมหาวิหารไปซื้อ ไปเพรพระพุทธเจ้าอยู่กุงราชคือโน่นไปข้าขายพระเจ้าพิมิสารโน่นไปเห็นพระเจ้าพิมิสารกับว่าัวผัวเมียขวนขวยทำอาหารไปต้อนรับพระพุทธเจ้าต่ก่อน อนานาถพิธิกาเศรษฐีเนี่ยเวลาไปถึงจะมีการต้อนรอับอย่างดีแต่ว่าไปเขาเนี่มีคนมาทำอาหารที่บ้านเต็มไปหมดเลยไม่ดูแลอนานาถพฤติกาเศรษฐีเลยมันเรื่องอะไรทำไมจึงเปลี่ยนไปไปถานดูจะทำโต อ, อาหารไปถวายพระเจ้าได้ยินเขาว่าพระพุทธเจ้าซึ่งใหญ่เลย ก็เลยช่วยร่วมร่วมช่วยร่วมทำอาหารช่วยร่วม ก, กับเขาไม่นั่งให้เขาต้อนรับเราจนกลัว ว, ว่าได้ฟังเทศได้ฟังเทศพระพุทธเจ้าเล่งเกิดศรัทธาอยากจะนิมนต์พระเจ้าไปสาวัถีนิมนต์นีนิมนต์ ให้วนแล้วโอเจ้าประชุมสงโดยเฉพาะสารีบทมกบคุณลานะให้ตัดสินใจเดินทางไปก่อนไปหาที่อยู่อาศัยก็สงก็สาวกเดินทางไปก่อน ไปแล้วพอจังเสากระถีเนอาณถาวิริาะเสด็จทีเนี่ยจะเอาที่ไหนนนองต้องหลายเดือนเขาเจ้าจะมาที่นี่จะมาประทับที่นี่ไม่มีที่ใดที่สวยงามเห็นแต่เขตตวันสวนเจ้าเขตดเป็นที่เหมาะสมมีน้ำดีมีทุ่งนามีป่า ทางทิศใต้มีบึงมีหนองทางที่ตนออกเป็นทุน่งท า, างที่บนตกเป็นเมืองทางทิศเหนือก็เป็นไรนาสวนบ้างโดยไปขอซื้อเจ้าเชตหาว่าอนาถวินิจัเศษฐีเนี่ยดูถูกาขอซื้อที่ก็คุยเลย เย้ยเอาเงินมาปูให้ทั่วบริเวณเนี่ยเจ็ดสิบไร้นะ่ะแป่สิบไร้นะ่ะต่าเงินปูในพื้นดินนี่เต็มไปหมดละนั่นละราคาเท่า น, นาาั้นเลยเย้ยอนาาวิิกาจ็ตถีหาว่าดูถูกใช่ไหมมีใครมาถามชื่อบ้านชื่อเดือนหาว่าเราเจะไล่หนี สงตาไปอยู่วัดภูเขาทองนะ่วัดแคบแบ <c oughs> แต่ไม่ต้นต้นเขาบอกยอมว่าอยู่ไม่ได้หรอกวัดแค่นี้ไม่ไม่หมดเก้าลอนตาเดินวันนต้องเป็นพัน0ันเก้าร้อยเก้าเก้าแค่นี้เดินไปแค่นี้ก็จบแล้ว้ราจะให้อยู่ก็ต้องก็ย่อยที่ไปอสอง ให้คนไปถามซื่อที่โยมบางคนโกรธหลวงพ่อว่าจะหลวงพ่อจะไล่เขาหนี <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกันมักธรวิธิกาเจตีไปสามซื่อที่เจ้าสวนเจ้าเชิดนะเป็นเจตีเหมือนกันนะว่าดูถูกก็คุยเอาเอาเงินมาวางบนพื้นดินเอเงินเต็มนะ่ะราคาเท่านหะรเอาจริงหรือเพื่อนจริงสิ อ่าแ่พี่เคยเจตีก็จับมือเลยอาจับมือเลยมาขนเงินขนทองอังสวนเจ้าเชษได้ไม่ถึงครึ่งมันก็จำนวนมากแล้วมันเรื่องอะไรทำไมจึงทำอย่างนี้เจ้าเชษแปลกใจมันเรื่องอะไรจึงต้องขนเงินมาวางแผ่นดินเพื่อจะแลกเอาที่ซึ่งไม่มีใครทำหรอก ตั้งแต่ครึ่งหนึ่งก็งากแล้วเจ้าเชิดเลยเออว่าอะไรล่ะเอาจริงเลยเนี่ยเออวัดตกลงกันแล้วก็ชื่อเอาจริงอ่ะยังก็ขอไปนะเจ้าเชิดก็บอกว่าพอแล้วพอบเรื่อะไรอาจรย์พิการเศรษฐีว่าว่าเอาเจ้าเสด็จมาจะมาใช่ที่นี่เห็นว่าเหมาะสมสวนเพื่อนนี่ยดีที่สุดแร้ อยากจะให้พระเจ้าประทับที่นี่เป็นวัดอ๋ทพระเจ้าหรือพระเจ้าโอ้ยเท่างั้นให้เราครึ่งหนึ่งซะออบบครึ่งเดียวก็พออีกครึ่งหนึ่งให้เราร่วมด้วยเอาประมาก็โลดอันนั้นาวิธิกาเฉติเลยตั้งชื่อว่าเขตตวันเพราะเป็นเจ้าของเดิมไม่เสียชื่อตั้นก็เลย ตั้งชื่อว่าเชตตะวันมหาวิหารนี่อวบศกนะสมัยพระพุทธเจ้าทุกวันนี้ยังมีอยู่สวนเจ้าเชตเชตตวันนะซากกัน ต, ตกนตุติของพระพุทธเจ้าซากกันตกุตรีของพระอรหันต์ทั้งหลายยังมีอยู่อวบนาะที่พระพุทธเจ้าสงยังมีอยู่ มีที่นั่นที่เดียวในอินเดียน้ำที่กินได้แฉบมากกบน้ำบอ่อวัดภูเขาทองแฉบบริสุทธิ์ไม่เหมือนน้ำบอ่อที่สุโกโตหลวงพ่อกุดมีแต่น้ำทองน้ำบอ่อบ้านใหม่ที่แรกก็ใสเอาไปมากลเป็นเป็นน้ำตะกอนไปเลยแม่บ่ เดิน <laughs> อ่า่ขอทองนะ่ะเดี๋ยวนี้เอาตักมาไหว้เป็นหลายวันนะหลังพ่อเปิดใส่ใส่คุใส่ถังไว้าไปตั้งเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ยังใส่เฉยวไม่เห็นแต่ก่อนสักหน่อยนะโอ้โถเอาขันไปลองไห้ขันก็ไม่เลื่อนไม่เหเแสดงว่าใช่ต่า อันส่วนเจ้าเชตดกับนามดีพื่เจ้าจำมัจฉาที่นั่นมากที่สุดตั้ง20กี่กี่พรรษาหลายพรญษากว่าหม่แล้วน <29. S 1> ะตัเ อ, อิ้นเป็นใครบมากที่นั่นจำมัจฉ า, านานที่สุดเลยไปดูไหมสวนเจ้าเชตด <laughs> อันนี้ก็มันก็สนุกนะ ถ้ามงองถึงพุทธะวรินี่ยเรื่องพระสงฆ์เนี่ยเหมือนกันพระรหันเหมือนกันเราไม่ใช่ตัวคนเดียวดอกมีบรรพบุรุษของเราตามรอยได้อยู่ไม่ผิดพลาดไม่ผิดพลาดเลยคำสอนขอเจ้าเนี่ยไม่ผิดสักข้อเลยตัดไว้ดีจริงๆนะได้ประโยชน์ถ้าลูกก็ไม่หลงนาทีและ จะหาคำมายากต้าหลงก็รู้ทันดีความหลงก็อยู่ไม่ได้เั้นเราปลูกป่ายางตรงทิศเหนือฉลาดนะแต่ก่อนป่าพงป่าหญ้าคามันก็ไม่มีประโยชน์ถางต่อไปคุณนึกถางตา่อเจอหลังเห็น เห็นมันกำลังจะออกลกูกมันก็วิ่งออกไปเข้าจะมากัดเถอะนึกว่าเสือนึกว่าเสือหลงต่อมาดูไม่ใช่เสือเป็นเห็นเห็นใหญ่ไม่ใช่เสือเดอเอาอยาไปถางมันให้มันเอาลกูกมันหนีก่อนให้มัน อ, อุปยกไปก่อนก็ปล่อยไอยาไปถางต่นนั้นไงตรงเนี้ยตรง ป่าพงปละสาข า, าตรงช่างตรงเสือต่อไปก็มันอพยพลูกมันน่้ถางไปไปเจอหลังของมันหลังหงูป่าก็ไม่แถวกะิสิบสามเนี่ยมันจะกัดเราตัวหัวตัวเมียมันหนูป่ามันทำหลังเคยเห็นบ่พอทายกหลังหงูป่าไม่ใช่ธรรมดานะัานเอาโทษไม่ขนาดเนี้ย หมากองหมากองหมากองหมากองอ้อมบ่ออกลูกไปทีสิบสาเด๋วนั่นเข้าไปเลยไปเจอหลังหมูป่าไม่ใช่หลังหมูป่าไปเจอหลังหลังเห็บด้วยนะ <laughs> คเคยเจอไปหลังเห็บอ่ะเห็บหมูเห็บหมูเนี่ยถ้าไปเจอหลังมานนั่นปุ๊บเดียวเต็มตัวเลยทาไงกับหลวงพ่อวนธรรมมา เต็ไมไปหมเลยตัวเล็กใสอยู่ตามปัดก็ไม่ออกนะจับติดเลยอ๋อทาไงบ้าผ้ากขาวคนวันลังลังเห็บอะ่ะมาอยู่ใกล้ใกล้ลังหมูจับไม่จับไม่เจอกัดด้วยอ๋ออก็ไม่ไวออกมาเลยคิดกันว่าเอาน้ามันการมาทาสิอะอัลมางการมาทาทาร า, าต้มเอาผ้าไปต้ม น้ำมันกาษฐาตัวต้มไม่ได้นะตัวนี่ต้องพัดน้าตากชื่อได้ไไ น, นะจาได้นะน้ำมันกาดฐชื่อได้แล้วก็ยาหม่องสำหรับการเห็บได้ในบางโอกาสกาาันทากได้เวลาไปเที่ยวเขาใหญ่เนยอย่าเลืมยาหมอ่องเวลาเดินเที่ยวในป่า เราเนี่งไปเที่ยวเขาใหญ่ตอนนี้ผมพาไปดูเสือโคร่งใหญ่ที่มันอยู่ก็ปล่อยคนที่พาไปเดินนอกหน้าเขาลู่จับก็กเดินไปไปเห็นมันกําลังมันกําลังยืนอยู่มองแต่พวกเราไม่เห็นนะมันก็โคตรมันก็เย่อพอมันยืนมอง ผู้พาไปก็บอกให้เราหยุดอย่ามาจังมั้ยืนอยู่นิ่งง่าพูดขณะที่ยืนอยู่นั่นน่ะท่าขึ้นมาเต็มขาปนเลยตุ๊กดักตกแกดักว่าพวกกู้เย็นเท่าไหายพวกบางคนก็ไม่มีสมาธิลุกนี่ลุกลนจับขึ้นตน้นไม้จะไปไหนก็ไปมาตอนตาเลยอย่าบอกมาทาทามันขึ้นจับปับ๊บก็ตกลงไปก็เลยแยงกันแย่กันนะทา จะมองท่าไว้มันก็ตัวกบมามันก็จับขาเราก็ตกลงไปตกลงไปนี่คือคือเอาตัวโลด <c oughs> แค่นั้นเนี่ยสนุกดีท่านี้เป็นป่าพงป่ายะขาเอาไฟม่เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเป็นป่าหยางเป็นเห็นก้งสวยงามที่สุดหลวงพ่อชอบตรงนี้มากไปเห็นกงงาม เห็นค้งงามบ่าไม้งา ม, ะ ม, งามตะลาหอใจก็ทยกก็ผู้ใหญ่สวนเสาต้นไหนหล่ะอ่ะก็ทยกจองเสาต้นไหนดูเอางามระลาน้างามสะนามงามต้นไม้คนนี่ไม่ต้องทาแป้งแต่งตัวมาให้งามหรอกนู่กนกาบนี้ก็งามแล้ว ไม่ต้องทาลิเกสเตติกงามธรรมชาตินั่น้า่ก็งามธรรมชาติก็งาม ม, าา ม, ามันเมยอยู่ตึกงามสินงามธรรมงามน้ำใจงามจิลยามรมลยาตงามงามการพูดก่อนเดินพูดเหมือน กินเหมือนบ่าวกล่าวเหมือนนางเดินเหมือนช้างช้างเหมือนแมวกินเหมือนบ่าวกล่าวเหมือนนางนางกล่าวยังไงเดินเหมือนช้างช้างเดินยังไงย่างเหมือนแมวแมวมาเดินยังไงเพื่อน ยางกับเดินอันเดียวกันเลหเดินกับยางอันเดินเหมือนช้างยาเหมือนแมวช้างมันเดินเนี่ยงามไหมงามาช้างเดินเดีวเดินเนี่ยงามไหมมันเดินอะไรแมวเบาเบาเบาเดินกินเหมือนเบาพวกเรา เอาของให้อะไรก็เจนอย่าไปเอาหน้าป่ามาเอาช้อนมาเอาชามมาร้านวางบนอยู่ที่นี่มีมีมีน้อยน้อยันข้าวหลงข้ากลมพอดีไม่มีช้อนชามใส่ข้าวไ่มีห <laughs> ลงากลมนั่งมองหน้ามองหลอ <laughs> อพ่อก็บอกเอา้ากินผักไปก่อนเถผักมาจิ้มน้ำพริกเกียไปด้านขวยก็บอกไม่ต้องเรียกเอาช้อนมาเอาชามมาไม่ต้องเรียกกินเหมือนเบาเอาให้จินอะไรก็จินไปแต่ว่าของสก ป, ปกไม่กินหนาอา่าให้กินข้าวเปล่าก็จิ้นข้าวเปล่ามีหวังกันนา บินธบาตบ้านให้คนแม้วโดนทางไปมาจากพังเลยไปเชียงใหม่เดินผ่านภูเขากว่าแล้วก็พากันนอนเห็นบ้านนแล้วก็พากันนอนนอนข้างบ้านเขตอนเชอาไปบินธบาตไปบินธบาตไปจีเรกไม่ได้เลยแล้วก็หิว กลับมามานั่งคุยกันแล้วไปอีกรอบสองโดยเฉไปะอกรอบสองก็ไปได้ออกมานั่งเตรียมจะหายบาทอ่าก็เห็นว่าอ๋พอดีหมหน้าบ้านก็มามาบอกมาบอกว่าให้สายๆยจะหน่อยค่อยไป ประมาณสามโมงลชาว บ, บ้านเขาไม่ตื่นมันหนาวชาวเขาขอหอแมวเขานอนตื่นช่อยยังไม่ตื่นสามโมงค่อยไปสามโมงไปเต็มมาเลยได้แต่ข้าวนะได้แต่ข้าวไม่มีอะไรต่อหน้านกินข้าวหัวโล้อนกิข้าวโป๋ฮะหมดขึ้นบาทเลยฮะ อ่าจะเป็นไรกินเหมือนบ่าวเขาอดก็อดทั้งเขาอิ่มก็อิ่มนะโสตานี่คือนักบวชของเราเจาไปทุกอยาไปร เ, เริดร้อนได้กินก็ดีใจไม่ได้กินก็เสียใจให้ใช่เลยใจเขาปกตินิ่งหิวก็ไม่เป็นไรขอบกลัวหิวเดี๋ยวนี้พระไม่กินข้าวหลายรูปจอนนด พระรูบหนึ่งน้ำหนักแปดสิบกิโลลดลงสามสิบกิโลเลยตกใจเลยแลว้วก็ให้หมอหมอน้อยมาดูเมื่อวานเลยเขาไปวัดทุขขทองหมอน่อยน้าพระท่านอดอาหารน้ำหนักลดทั้งสามสิบกิโลเขาบอกเนไรไหมหมอน้อยเลยแนะนำนิดหน่อย เอาอย่าไปอดกันตายให้พอดีพอดีตึงเกินไปก็ขาดแม่ชีบางคนผู้หญิงบางคนนั้นเดินตลอดเวลาก็พอดีพอดีแม้เดินเท่าแตกอย่างพระโสดะเนี่ยไม่บรรลุธรรมนะรอยของการเดินทางเดินจงกรมของพระโสดะเนี่ยมีแต่รอยเลือด สองเพื่อนกันไปดูมนเลือดอะไรมาเท่าเราแตกเท่าเราแตกก็ยังเดินอยู่เอาส้นเดินเอาปล่ยเท่าเดินเ อ, อกข้างเดินก็ยังแตกก็น้อยใจโสนโกริวิตะโสนาคุติกันทะมาเผยแร่ธรรมเมืองไทยโสนาโกริวิตะ อ่าเมื่อปฏิญผ่านไปแล้วก <c oughs> ็จะขอรอศึกตามความเพียรหนักขนาดนี้ไม่รู้ทําหมดโอกาสแล้วพระเจ้ามาสอนมาลาพระเจ้าศึกแล้วว่าทำเต็มพี่ความเพียรนะเดินจนกองินเท่าแต่ไม่ันรู้ทําเลย นั่งสมาธิแปดเก้าชั่วโมงจนแข็งไปหมดไม่ได้บรรลุ ธ, ธรรมเลยพระเจ้าเลยโจน้าไอเป็นโดนตีเล่นพีดเรื่องพีดมันตึงกินไปก็ไม่เหมาะให้ปรับใหม่พอดีพอดีอดโจนาก็เลยได้หลับรรลุ ธ, ธรรมพอดี ยาตึงเกินไปอดข้าวอดน้ําไม่หลับไม่นอนผมไม่ได้สอนนะหลงตาไม่ได้สอนกินให้อิม่มนอนให้หลับอิ่มพอดีพอดี <c oughs> ไม่อิ่มเกินไปเหลือไปสักสองสามคำก็ได้จะให้มันอิม่มเอาน้ําลงไปอ่าแล้วก็อะไรที่เป็นเครื่องดื่มก็เติมลงไปทีหลัง อยู่ที่นี่มักจะมีผลไม้ทุกวันค่อยดืมฉันผลไม้ว่าเป็นหลังอาหารดีทูกใดฉันแต่อาหารไม่ฉันผลไม้มันจะมีชีวิตต่างกันให้ฉันหัดฉันผลไม้ว่างกล้วยลูกหนึ่งมีทุกวันใช่ไหย ม, มีนะ <c oughs> อันนี่นะพอดีพอดีนะอย่าเอาอย่างโสนโกลิวิตะนะ โอรีวเตเป็นเงินเป็นโกรธนะไม่ใช่จนน ะ, อะเอาเงินมาซื้อเอาก็ได้หรอกนิพพานสวรรค์นิพพานไปทำบุญเอาทำคนเพียนไม่ได้บรรูุทรรหรอกทำบุญทำทานเอาเงินเราไม่หมดไม่อยากนะใจใหญ่เลยแต่ทุ่มเทมัราะทมิิกาเสียีนะเสื้อที่เจ้าเช่จนหมดกันเป็นหลายล่อ กวนไยไม่ได้โตนะกอริวิตะเจ้าแบบอ ย, อย่างอนาถมิการเจตีเจ้าเนี่ยยาโอดีพอดีสาตอนสุขกพอดีพอดีทุกท่านทุกชีวิตเอวางก็มีด้วยประการเชนนี